أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله م صل الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ا ج م ع ي ن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ล ن ك ั ن ت ا ل ع ัล م الحكيم ربنا ظلمنا ั ن ف س ن ا وإن لم توفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ َ ب ن َ ا آ ت ِ ن َ ا مِنْ ل َ د ُ ن كَرَحْمَةٍ و َ ه ِّ ئ ْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا َ ب ن َ ا آ ت ِ ن َ ا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ا ل ن, ن َّ ا ر ا ل ح م د ل ل ه و ن ب ُ ا ن ِ ص ر ة, ة ل م ر س เป็นซุรักษ์สุดท้ายจากยุสุที่ยี่สิบเก้าหลังจากนี้หลังจากซุรักษ์อัลโมซาร่ า, าเนี่ยเราก็อาจจะไปเรียนในยุที่ยี่สิบแปดซึ่งยุสยี่สิบแปดนี่จะมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากจากซุรักษ์ต่างๆที่เราเคยเรียนมาเพราะว่ายุสที่ยิบแปดนี่เป็นซุรักษ์แมนเดานีย์ทั้งหมดเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะทั้งหมดเลย ที่เราเรียนมาทั้งหมดนี่เป็นสุวรมักกียเป็นสราสุราหมักกียนะพอจบุราลมุสลเนี่ยเราไปเรียมในยสีนเนี่ยเจอกับสุราหมาดนียอะอะไรคือสุราหมักกียอะอะไรคือสุราหมาดนีย์ะเียเราคยเล่ากลกันะอันนี้ดูสุราลมุสลก่อนะครับอัลฮัมดุลิลละ จะได้จบอยู่สแล้วเนี่ยอนัเลอลลฮ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ว ا ลมร์สเ ل ตูร์ฟะฟัลกาซฟะตีอ ا ฟ ا ะวัลนาชีร ا ตَนาช ش ر فالفارقات فرقا فالملقيات ذكراء عذرا أو نذرا อินนัมั عدو نلاواقع إ ذ ا نجوم ط م س وإذا َ السماء فُرِجَت وإذا َ الجبال نُصِفَت وإذا الرسل أ ُ ق ِ ت َ ت ْ ل أي يوم أُجِلَت ليوم الفصل وما أ د ر ا كما يوم الفصل ไว้ลุยย์ย์วัอิสลิลมุคซิดีอัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่คือสุรทูอัลมุสเลตสิอายะห์นะครับอายะห์มันสั้นๆนะครับว่า อัลมุรสลาคืออะไระสุขานอัลลอฮเดี๋ยวจะบอกถึงภาพรวมของสซะห์นี้ก่อนนะครับโซโลนี้เป็นอีกหนึ่งโะห์ที่อัลลอะแต่ลาพูดถึงวันอาคยรัตประมวลบรรยากาศหรือสภาพของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมะนะครับเราเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่า อาราตะลาเนี่ยการนำเสนอภาพลักษณ์ของวันอาเครัสจะมีความหลากหลายจะมีหลากมิติจะมีหลายมิติให้มนุษย์ได้เรียนรู้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสุรักษ์นะครับเป็นการประมวลซึ่งในสุรักษ์นี้เนี่ยเราจะพบเราจะเห็นตั้งแต่อารามักเกียมัตด้วยซ้ํำก่อนที่จะเกิดเกียมัตด้วยซ้ำเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะก่อเกิด เ, เกิดก่อนวันเกียมัตและก็เหตุการณ์ที่จะเกิดในวันเกียมัตเองระหว่างผู้ที่ เป็นผู้ปฏิเสธเขาจะได้รับอะไรและบั้งปลายของผู้ที่เป็นอัลมุตตะกีนผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาบกะอัลลนะแล้วเป็นสุร่าที่มีอายัดสั้นๆ น, น, นะครับลงท้ายด้วยนะลงท้ายด้วยอะไรสัญญาณะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะหลักหลายะวลมุสลาอูรฟาลงท้ายด้วยอลิฟแล้วก็ไปตรงกลางอุกเกตัดนูซิฟา ทยดตาแล้วพอหลังๆนัก็ไปลงท้ายด้วยนูนนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าต่ละอันนี้มีความหมายอย่างไรอัลมุรซลัห้าในสุราห์นี้มีหประการที่อัลลอ์สุบตาลใช้สาบานวัลมุรซลเป็นการสาบานนะเรมต้นด้วาวัลมุรซลอรฟ เรื่องต้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นการสาบาห์้าอย่างที่อัลลอฮฺตรัสสาบาหในสุร้อนี้นะครับคืออะไรบ้างจริงๆแล้วสุร้อนนี้ถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์หรือว่าการประทานลงมาของสุร้อนเนี่ยเขบอกว่ามีรายงานนะครับจากสัฮาบะแรยงานโดยอิหมัมบุคาริมุสลิมบุคารีและมุสลิมทั้งสองคนเลยนะครับจากอับดุลลอฮฺอิมนุมัสยูดบอกว่า بينما نحن مع النبي صلى الله ع ة, ه, ه و م في غار بمنى إذ نزلت عليه و َ ل م ر ا ت فإنّه لا يَتْلُهَا وإني لا أتَلَقَّاه من فيه وإنّفاه لرطب بها. ดูมัสยิดบอกว่าสุราห์นี้ถูกประทานลงมาในขณะที่ท่านนบีสุลต่านอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งที่มีนานะครับไม่รู้ว่าถ้ำอะไรแต่ว่าเป็นถ้าแห่งหนึ่งที่มีนา ตอนที่มันลงมาเนี่ยท่านนบีก็อ่านอ่าแล้วอิมนุมัสอุดก็ฟังอ่านได้ยินเสียงอิมรุมัสอุดก็ได้ยินสิ่งที่ท่านนบีอ่านจากสุรษะลงศรัลก็เลยท่องตรงนั้นเลยสดสดร้อนร้อนเลยอิมนุมัสอุดนี่ก็คือเอาสุรษะอัลมุสซาลัเนี่ยมาจากปากของท่านนบีสุลตาะละสลัมแบบเฟรชนะแบบสดสดเลยนะไม่ได้อยู่หลาว่าตรงนั้นเลยเหตุการณ์ตรงนั้นเลยสุภาพน้าหล่ออ่านี่คือ Saudirat, nak, kaum sahabat kan ni. Miingat yang nak ab, cak Ibnul Abbas, Ibnul Abbas, tibak wah, Ummul Fadl, Ummul Fadl ni, perayaan yang satu, Ummul Abbas, Ibnul Abul Mutalib, tibak wah, Ummul Fadl ni, dapatkan Ibnul Abbas, al Solok ni, tukar. นังนึกถึงนี่หลังจาก้เสียชีวิตลนะอับบาสนั่งอ่านส ورة อัลมุรซลาตยัลมุรซลาตอูรฟอุมุลฟักเลยบอกว่ายาบุน ذكر เต قراء ติคฮัตฮีอัลสูร ا ์อินน่าลาอัคร์ ل าสเมื่อตุรัสูลอุมุลฟัว่าลูกน้อยเอ๋ยลูกเอ๋ย ตอนที่เจ้าอ่านสุร้อนี้เนี่ยมันทําให้ฉันนึกถึงท่านนบีสุลสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลิม سبحان เรานี่คือความผูกพันของสัฮาบะนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ชายสัฮาบะผู้หญิงเองสัฮาบะที่เป็นสหบียะเองเนี่ยก็มีความคิดถึงต่อท่านนบีสุลต่สลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลิมบอกว่าเวลาที่ได้ยินสุร้อนี้เนี่ยทำให้นึกถึงท่านนบีฉันจําได้ว่าสุร้อนี้เป็นสุร้อน สุดท้ายสุรษท้ายท้ายที่ท่านนบีเคยอ่านในละหมาดมะเกร็บเอาไหมพวกเราอ่านสุรษนี้ละหมาดมะเกร็บเอาไหมไหวไหมใครจะท่องอ่ะใครเป็นอิหมั่มลองท่องสุรษนี้แล้วก็ไว้อ่านในในละหมาดมะเร็บได้นะครับเป็นสุนัขของท่านนบีท่านนบีมีปรากฏในบางบางฮะดีสบอกว่านอกจากสุรษนี้แล้วยังมีอีกสุรษหนึงที่ท่านนบีอ่านในละหมาดมะเกร็บก็คือสุรษอะไรครับใครจําได้บ้าง อ่ะสุรทูตูล์สุรทูตูริสรรกสุรห์นึ่งซึ่งยาวพอใช้ได้เลยสองหน้านะครับแสดงว่าจริงๆแล้วในละห ม, มาดมะเกรดเองเนี่ยบางทีก็อ่านยาวได้นะไม่จำเป็นต้องอ่านสั้ น, นทุกทีเวลาที่เราละห ม, มาดมะเกรดนี้เราอ่านแค่สั้นๆ <c oughs> อันนบีเนี่ยอ่านสุรห์อัลมุสลัลแล้วก็อ่านสุรทูตูรนะครับซึ่งเป็นสุรห์อายัดมันสั้นในะใจความของมันเนี่ยมันสั้นๆๆๆแต่ว่า จำนวนทั้งหมดเนี่ยจะยาวสักนิดหนึ่งยาวในความรู้สึกของเราแต่ว่าท่านนาบีเนี่ยใช้อ่านในละหมามดมดกเร็งนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าใครอยากจะเอาสุนนะนี้เนี่ยไปได้เลยครับอัลมุสลัตหนึ่งถึงห้าอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่อายะห์ที่บอกว่าวัลมุสลัตีอูรฟะไปจนถึงฟัลมุลกียาตีซิกรอคือห้าประการที่อัลอลอฮ์ใชา้สาบานในโซลลักษณ์นี้มันคืออะไร อันนี้มีการถกเถียงกันยาวมากในหมู่บรรดานักทับซีดนะครับบางคนบอกว่าตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเนี่ยทเทอาลาสตาลายใช้สาบานเนี่ยคือความหมายของมันก็คือมาลาอิกัดทั้งหมดเลยแต่สาบานด้วยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในมุมหนึ่งที่หลากหลายของบรรดามาลาอิกัดอลัลมุรซลาก็คือมาลาอิกัด อัลอาซิฟัดก็คือมลเอกร์อัลนาชรัดก็คือมลเอกร์อัลมุลกิยาหก็คือมลเอกร์อัลฟารีคาก็คือมลเอกร์อันนี้คือทัศนะที่หนึ่งทั้งห้าอายัดนี้พูดถึงมลเอกร์ทั้งหมดในขณะที่ทัศนะที่สองบอกว่าทั้งห้าอย่างเนี้ยหมายถึงลมอัลบรุสลัก็หมายถึงลมอัลอาซิฟัด ก็หมายถึงลมไปจนถึงอัลมุลกียะก็หมายถึงลมในขณะที่อีกแนวนึงที่เขาตับงเชื่อเขาบอกเขาแบ่งห้าอย่างนี่เขาแบ่งหนึ่งถึงสามหมายถึงลมตั้งแต่วั والمرسلات عرفاء فالعاصفات عصفاء والنشرات นัชราหมายถึงอะไรครับ หมายถึงลมส่วนอายัดที่สฟัลฟาริกาติธาระอายันี้หมายถึงอายัดของ Allah Subhanahu wa Taala องค์การหรือวิญญาณของ Allah Subhanahu wa Taala นะครับและอายัดที่ห้าฟัลมุลกียติจิกรอหมายถึงอัลมาลาอิก ออันนี้ในหนังสือที่ผมอ่านอยู่เนี่ยที่เราอ่านอยู่เขาบอกว่าทัศนะนี้น่าจะเป็นความคิดหรือว่าเป็นเป็นความคิดเห็นหว่าเป็นทัศนะที่น่าจะใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุดดูจากรูป ก, การของอายันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายทั้งหมดนะครับว่าถ้าแปลเป็นเมล็ดก็หมายถึงอะไรหรือว่าถ้าแปลเป็นลมแล้วหมายถึงอะไรแต่เราจะยึดเอาทัศนะที่สามเป็นหลักในการอธิบายอินชาอัลลอห์มามาดูกันครับ วัลมุรเซลัดอัลมุรเซลัดถ้าเราแปลว่ามันคือลมก็ใช่นะครับอัลลอฮ์แต่ลาเวลาที่พูดถึงลมเนี่ยอัลลอฮ์แต่ลาจะบอกว่าวะอาร์เซลนาริยาลมเนี่ยถูกส่งมาจากอัลลอฮ์อัลมุรเซลัดหมายถึงสิ่งที่ถูกส่งมาริซาละรัซูลทั้งหมดนี้ล้วนแล้วมาจากรักษาเดียวกันรัสูล ริซาล่ามุรซาลมาจากนะตัวศัพ์หลักของมันก็คือสามตัวร้อซีนและก็ลาฟอัลมุรซล่หมายถึงสิ่งที่ถูกส่งสิ่งที่ถูกส่งตรง น, นี้ก็คือลมนะบางคน ถ, ถ้าเป็นถ้าแปลเป็นมล a i s ก g a เขาก็จะแปลว่าหม า, ายถึงอะไรครับหม า, ายถึงมล a i s ก g a มล a i s กั a ก็ถูกส่งมาเช่นเดียวกันจากอัลลอสุบาวตาลาให้มหาบรรดารสู้นั่นเอง อัลมุรสลาทอรฟะหมายถึงลมที่มันเริ่มจากอะไรพัดมาแบบเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้ น, น, นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่คือลมนะครับอัลอาอสิฟะอัลอาอัลิฟะอัลอาอิฟะเป็นฟะหูพ์ของคำว่าอาซิฟะ อัลซฟาหมายถึงพายุลมแบบพายุลมที่มาพร้อมกับเสียงนะับซีฟบอกว่าอา ร, ริยาบิตัสวิทหมายถึงลมที่มากับเสียงลมแรงอะ่ะลมที่เป็นพายุที่พร้อมจะทำลายนะสิ่งของนะอันนี้เขาเรียกว่าอัลซฟาอัลซฟาเคยได้ยินอัลซฟาตุลฮัซมีปฏิบัติการพายุทะเลทราย อ, อนนี้เขาเรียกว่าอัซฟา เวลาที่เขาใช้ก็จะใช้พายุพายุก็ใช้คาว่าอาซิฟ ah. ซึ่งโดยปกติแล้วอาซิฟะนี่จะใช้กับลมที่ทำลายลมที่มาอะไรเขาเรียกลมโทษจากอัลลอฮ์ะุร์าะหวตะและนะครับถ้าเป็นริเนี่ยเขาจะใช้กับกับลมที่ใช้ในการในการลงโทษนะครับมนุษย์หรือว่าลงโทษผู้ที่ทำผิดต่ออัลลอ์ะุร์าะหวตะลนั่นเอง و ا ل ن ا ش า ا ت ن ش ر าน่นะนาชรัตก็คือลมเหมือนกันแต่เป็นลมแบบไหนลมที่เขาเรียกว่าลมที่ทำหน้าที่ในการกระจายก้อนเมฆบนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกลมอีกแบบนึงลมพายุนี่ทาหน้าที่นี้ไหมมาลมพายุนี่ทาหน้าที่ในการพัด บ้านเรือนพัดต้นไม้พัดอะไรที่มันทำลายแต่ลมอีกประเภทนึ่งก็คือลมที่นำรหมั์ลมที่นำความเมตตามาจากอัลลอ์คือลมแบบไหนลมที่พัดก้อนเมฆมาใช่ไหมครับแล้วก็ตามแต่อัลลอฮ์เราแต่ลาต้องการว่าให้ก้อนเมฆนี่มันไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายมันก็จะมีฝนตกลงมาอันนี้คือวันนชีระที่นชระ س ب อัลลอฮ์ แม้กระทั่งลมเนี่ยก็ยังมีหลายประเภทนี่แหละเวลาที่เราขอด้อาเวลาที่ลมมาเนี่ยเป็นนังเทอท่านอ่านข้อมืออ้อนวอนเปล่าครับด้อาเวลาที่มีลมพายุเยมันมีด้อาด้วยเวลาที่มีลมพายุเนี่ยอ่านอ้อาว่ายัางไงเวลาที่เรามีลมพัดมาแรงๆอย่นี่เราอ่านด้อาว่าอย่างไงจําได้ไหม <laughs> ใครจําได้ให้รางวัล ดูอาเวลามีลมอายุไ ม, ม่ใคยจําเลยอไปหามานะครับว่าดูอาเวลาที่มีลมเนี่ยก็อ่านว่าย่างไงเราอย่าบอกว่าเราจะตามุนนะแต่เวลาที่บอกว่าเวลาส น, นาที่มีลมแล้วทําไม่ถูกอันนี้ไม่ได้นะครับอโอเคนะครับอสามอายัดนี้หมายถึงลมถ้าดูเป็นภาษาไทยเขาแปลว่าอย่างไงอัลลอฮ์สงสาบานกับลมที่พัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเห็นไหมอัลมุซาลาะหมายถึงที่พัดมาแบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้คืออัลมุสซาลาดอัลฟาอัลอาซิฟและพายุที่สร้างความเสียหายอันนี้คืออนะัลอาซิฟวันนาชิราดอ๋อภาษาไทายก็แปลว่าเป็นมาลาไอกัร์ดนอะันนาชิราหมายถึงมาลาไอการ์ดนะครับแต่ว่าหน้าที่เดียวกันนะมาลาไอกัต์ตรงนี้ก็คือมาลาไอกัร์ดที่กวาดต้อนเมฆให้ มีฝนตกลงมาถ้าเราแปลเป็นลมก็คือลมที่กวาดต้อนเมฆนะครับอาจจะมีมาล็กักคุมลมนี่อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่สักที่หนึ่งมันรวมตัวกันเป็นเมฆใหญ่ๆแล้วมันก็มีฝนตกลงมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่อัลลสุบฮานาอฺมีความสามารถจะจัดการ5้าอย่างที่เราตระห า, าบในสุรห์นี้อันที่สี่ก็คือ فالفارقات فرقا หมายถึง ayat ของ Allah سبحانه وتعالى ระทาาลง่มมา فرق หมายความว่ามาจำแนกวายิยของ Allah นี่มาจำแนกอะไรครับมาจำแนกอะไรมาแยกแยกร ر ق อนมาจากคำว่าุรก้อน ในสุรษะอัลฟุร์ควานที ك ประเสริฐที่นําสุ ل ษะอัลฟุร์ควานมาให้กับผู้รับใช้เพื ل อให้เะที่เป็นีรองโลกทั้งโมงของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺลกุรอานถุรษะลงมาให้บับใชนสุรษะทนักของโลัลวัลฺออัลกุรอานม้้ือุรนรกอม ม่แยกแยกแยกอะไรยกข้าของข้าวของท่านอัลมาแยกแยกอะไรฟัลฟาริกาติฟร قة มายกแยกอะไรแยกแยก الحق และอัลบาอัลบาคิล الحق والباقل ทามีอัลกุรอานร่างโชยแยกอะไรว่าอันไหนคือสัจธรรมอันไหนคือความพุทธ นะทุกวันนี้สุภาพนัลล่นอหละพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีคําสอนในศาสนามาช่วยบอกเราไม่ช่วยเตือนเราว่านี้พฤติกรรมนี้มันไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเลยอิสลามสุภานัลล่นแหละไม่ตั้งแต่เรื่องใหญ่ที่สุดบางทีเรื่องใหญ่นี่อาจจะจําแนกให้เห็นได้ชัดเจนมากเรื่องอักิดาเป็นเรื่องใหญ่ชัดเจนมากอิสลามชัดเจนจําแนกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าอัลกิดาที่ถูกต้องเป็นยังไง อะไ์ที่ผิดเป็นยังไงจำแนกให้เห็นเลยไปจนถึงเรื่องเล็กๆหรือเรื่องที่เราไม่คิดว่าเออมันควรจะต้องจำแนกด้วยอย่างเช่นเรื่องกินเพราะว่ามันมีมนุษย์หลายประเภทในโลกนี้ที่กินไม่เลือกถูกต้องไหมครับไม่เลือกเลยอยากจะกินอะไรกินหมดสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้กินได้หมดเลยในขณะที่ i สลามนี่จะจาแนก อันไหนที่มันเป็นฮาลาลอันไหนที่มันเป็นไม่ฮาลาลอันไหนที่มันเป็นตสหยิบอันไหนที่มันเป็นคบีสไม่ใช่เฉพาะสัตว์แม้กระทั่งพืชอิสลามมาบอกให้หมดแล้วอันนี้ฮาลาลนะกินได้อันนี้ฮามนะกินไม่ได้จาแนกมุสลิมเนี่ยระบบฮาลาลถ้าเอากันจริงๆเนี่ยเป็นระบบที่ดีมากเป็นระบบที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาหารฮาลาลเนี่ยโดยโด ย, โดยหลักการของมันแล้วจะต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพเพราะเป็นอาหารที่ถูกคัดสรรมาแล้วคัดกรองมาแล้วตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่เลี้ยงมาแล้วก็เก็บเกี่ยวยังไงการขนส่งยังไงเดี๋ยวนี้เขาจะมีไม่ใช่จริงๆแล้วฮาลาลเนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากครับ ไม่ใช่เฉพาะว่าอิสลามทานได้ไม่ใช่หมูไอ้นนไม่มีหมูอิสลามทานได้ฮาราจเ้ยเดี๋ยวก่อนอันนั้นอาจจะยังไม่ฮาาจนะอันนี้เขาเขาทำของเขาเองจริงๆแล้วกระบวนการฮาลาจต้องดูตั้งแต่ต้นไปจนต้นทางไปจนถึงปลายทางสุภานลัลนแหลเดี๋ยวนี้เขามีระบบที่เขาเรียกว่าโลจิสติกฮาราจการขนส่งฮาราจ บางทีอาหารฮลาลถูกต้องไหมครับแต่ระบบการขนส่งเนี่ยไม่รู้อะไรไม่ผ่านมาตรฐานฮลาลอาจจะทำให้คนเปื้อนอาจจะทำให้อาหารที่มันเดิมมันฮาลาลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ฮลาลได้ถ้าโลจิสติกไม่ฮัลลาสซูบ้านลอดนี่คือความละเอียดอ่อนของอิสลามนะครับเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะ ส่งลูกหลานเรียนโลจิสติกเนี่ยส่งได้โลจิสติกฮาระเนี่ยเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจกระบบเศรษฐกิจกเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องโลจิสติกมากนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจกนะอาเซียนกําลังจะเปิดอะไรเนี่ยเขากาลังให้ความสนใจกับการเรียนการสอนเรื่องระบบโลจิสติกซึ่งยังไม่มีโลจิสติกฮาระหรือยังไม่มีคนสอนยังไม่มีใครทําหลักสูตรขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคอันนี้คือความหมายของคําว่าฟ ا ل ف ا ر ق ا ت ฟรึนะ้งหมายถึงอัลอาล์ตที่ใชัในการแยยวกลบาิิลนะครับองค์การของอาาัลลอฮฺ سبحانه และเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ไป่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีอัลกุรอานเราเน้นเราย้ำกันมาตลอดมนุษย์คนไหนก็ตามบาวคนไหนก็ตามใช้ชีวิตโดยไม่มีอัลกุรอานแสดงว่าเขาชีวิตอยู่ท่ามกลางไม่มีอะไรที่จะมาจาแนกให้เขาเห็น ส่องทางให้เขาเห็นว่าเขาควรจะต้องเดินไปทางไหนหลายเรื่องที่เราเราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยถ้าอัลกุรอานไม่บอกท่านนาบีสอลลัลลไม่บอกเนี่ยเราเลือกว่ามันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะอัลุบิลลมันจะไดเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยเป็นนูรนะเป็นแสงสว่างที่จะเราจะทำให้เราเห็นทางนะเป็นฟุรก้อนที่จะมาจำแนกให้เราเห็นว่าอันไหนที่เราควรจะต้องเลือกอันไหนที่เราควรจะต้องจะต้องทิ้ง ฟัลม <f ali> <f ali> nah, ุลกิยาทิซิคราะอันนี้มีการอธิบายว่าอิจม اع ในระหว่างนักตักซีดบอกว่าหมายถึงมาละอิกัดทุกคนเห็นด้วยหมดเลยว่าหมายถึงมาละอิกัดอัลมุลกิยาซิครอหมายถึงมาละอิกัดที่ทําหน้าที่ในการนําวัลฮิวมาจากอัลลอฮ์และมามอบให้กับบรรดาร رسول บรรดาอัลบียะของอัลลอฮ์ سبحانه และุทธา นี่คืออัลมุลกิยาหวะฮยูที่เอามาเนี่ยทำหน้าที่อะไรทาหน้าที่อะไรครับมีอายะห์ที่มาขยายเพิ่มจากคาว่าซิกรอซิกรอตรงนี้ก็คืออัลกุรอานคือวะฮยูจาก Allah ที่ใครเป็นคนเอามาให้มาละอิกัดเอามาให้เอามาให้ใครเอามาให้บรรดานาบีของ Allah บริจาบะฮันบีมุฮัมมัดซลลลลฮุอะลัยฮิวะัลลัมอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของอัลกุรอาน a ซ i k a r เป็นชื่อของอัลกุรอานด้วยแต่อัลกุรอานนี่มีมีหลายชื่ออัลกุรอานอัลฟุอัลรคานอัลคตาทำไมอัลกุรอานถึงได้ชื่อว่า a ซ i k a r เพราะอะไรครับเพราะว่าซ z i k a r เนี่ยหมายถึงบทเรียนเพราะอัลกุรอานนี้มีบทเรียน นั้นมีคําสอนนี่คือความาหมายของมันหรืออัลซิกเกร์หมายถึงเวลาที่เราอา่านอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นการซิกเกร์ประเภทหนึง่งที่เราบอกว่าจงซิกเกร์ต่อ الله, อัลลอฮ์อุสคุรุลลอฮจงรําลึกถึงอัลลอฮหนึ่งในจํานวนวิธีการที่เราจะซิกเกอร์หรือเราจะรําลึกต่ออัลลอฮ์ก็คือการอ่านอัลกุรอาน การอาัลกุรอานเป็นการ zikir ที่ดีที่สุดการอ่านอัลกุรอานเป็น z i ก i ที่ดีที่สุดถ้าไม่รู้จะว่าอะไรเนี่ยให้อ่านอัลกุรอานถ้าไม่รู้จะ z ิ k i r อะไรเนี่ยให้อ่านอัลกุรอานถ้าไม่รู้จะขอด้อนวอนอะไรก็ให้อ่านอัลกุรอานถ้ารู้ก็อ่านอ่าน z i ก i r ที่เรารู้ใช่ไหครับที่บอก i k i r z i r z k i อะไรอาจารย์ i k i r จนเบื่อ r จนเมื่อยแล้ว มันมีหลายแบบจิกเตเนี่ยอะสตัลฟิรุลลอฮก็เป็นจิกเกละอิลล่าอิลลัลลอฮก็เป็นจิกเก็อ่านอัลกุรอานก็เป็นเะป็นจิกเจิกเหมายถึงสองอย่างนะครับหมายถึงสิ่งที่เราใชา้รำลึกถึงอัลลอและสิ่งที่เราใชา้เป็นคำสอนเป็นบทเรียนในชีวิตของเราซึ่งอัลกุรอานมีหน้าที่ดนะีที่อัลลอฮฺตรัสบอกว่าอินน่าห์นุน ن َ إ َّ ل َ ه َ ح ا ف ِ ظ ُ و ن เราประทานอัซิกรลงมาและเราจะปกป้องพิทักมันอลอตตะลารับปากการะกันว่าจะปกป้องอัลกุรอานจากการแก้ไขบิดเบือนหะน้าที่ของอัลกุรอานที่อลอตตะลาพูดถึงในสุรษะนี้ก็คือเอูซรันอูนุซรเอูซรั น, นขึ้นต้นด้วยตัวเอง นุษราขึ้นต้นด้วยตัวตัวนูนสลับกันนิดเดียวเองความหมายก็ละอยากกันละอุสรังหมายถึงข้อ آن. อ้างอ้างยังไงถ้าสมมุติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ประทานอัลกุรอานลงมาพอถึงวันอาคิราอัลละฮ์ تعالى ลงโทษคนกาสเซรใช่ไหมครับ บรรดาคนกาเฟ่เหล่านี้ก็สามารถที่จะไปอ้างกับ Allah ได้ว่าฉันไม่รู้ไม่มีคนมาบอกฉันไม่มีว่า ย, ยูมาถึงฉันฉันก็เลยเป็นคนกาเฟ่อันนี้คือกออ้านทีนี้อัลกุรอานลงมาเนี่ยมาเพื่อที่จะลบข้ออ้าง น, นี้ไปนี่คือความหมายของคาว่าอิ ر าล ا ل ة ا อ ع ذ ر อนลตซิรินเพื่อที่จะมาลบล้างข้ออ้างของคนที่จะไปอ้างต่อห น, น้าอัลลอฮฺเจมุฮาตลเราบอกแล้วว่าข้ออ้างจะไม่มีประโยชน์ในวันอัคิรัตข้ออ้างของมนุษย์จะไม่มีคไม่มีน้ำหนักใดๆทั้งสินนน้นต่อหน้าอัลลฮาตลในวันอาคแครัไม่ได้ อ้างว่าขี้เกียจละมานอ้างว่าขี้เกียจไม่ได้ไม่ได้หาความรู้ไม่เดอ่านหนังสือไม่ได้เรียนอัลกุรอานไม่ทันสิเกีรติอัลลอฮ์ไม่ทันที่จะกิยามุลไลไม่ทันที่จะขออุทิศอัลลอฮ์เนี่ยจัดการข้ออ้างของเราให้จบก่อนตายไม่ต้องแพ็คไปหาอัลลอฮ์ข้ออ้างของเรามีกี่อันมีกี่ชิ้น ม, มีกี่ร้อยมีกี่พันลบมันให้หมดตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าไปอ้างครับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ฉันไม่ทันอ่านอัลกุอรอานตอนมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ทนัน <laughs> อ, อ่านสิจะอ่านว่าอยังไงอะ <laughs> ไปตอบตอนน่าอัลลอฮ์นี่ตอบไม่ได้แล้วครับต้องตอบตอนนี้ไม่ทันเพราะอะไรอย่าอัลลอฮ์อิสติฟาร์ไม่ทนันไม่ไหวทำไมไม่ทนันทำไมไม่ไหว หาข้ออ้างมาสิคือลองสมมุติข้ออ้างนะเราจะอ้างว่าอะไรเราจะอ้างว่าอะไรครับตอนนั้นอัลลเราจะอ้างว่าอะไรแล้วพยายามลบมันตอนนี้เลยอย่าปล่อยให้ถึงวันอาคราเพราะว่าถ้าจะไปอ้างในวันอาคราเนี่ยได้ไหมไม่มีละอัลลอฮฺแต่เราบอกแล้วว่าไม่มีเอาคุรานลงมาแล้วท่านรอซูลก็บอกแล้วอุลามะกับตับซีรให้เราแล้ ว, ลวอาจารย์ก็มานั่ง อ้างรัฟังเลวอันนี้คืออุจรอน إزالة อุจรนะครับไม่มีข้ออ้างครับเพราะฉะนั้นจัดการข้ออ้างของเราตั้งแต่ตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่พอเราตายไปแล้วไม่สามารถที่จะอ้างกัน้ า, นาอัอฮ์ได้อีกอัลลอฮหัอักษรละอิลาฮอิลลนี่แหละที่เราต้องขอดูอาอจารอัลลอ์ให้เรามีกำลังที่จะทำอิบะดัต่อพระองค์ นาย่าให้เราบกพร่องในการทําอิบัดั้นแล้วเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆอีกตอนน้นอัลลอฮ์อัลลอฮุมอินนิอัลลซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสเนอิบัตดัติกเนี่ยต้องขอดนูอาแบบนี้นขอความช่วยเหลือให้อัลลอฮ์เนี่ยจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เราเนี่ยได้ทําอิบัตดัตต่อพระองค์ได้ชูกรต่อพระองค์ได้ซิกเกิลต่อพระองค์เราไม่อยากที่จะไปอ้างตอนนั้นอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เนี่ยให้ช่วยเราได้ทําหน้าที่ของเราอยา่าง สมบูรณ์ที่สุดนะครับนุรนุรอมาจากคาว่าอินซายาอยุฮัลมุดัฟิรกุมฟอันฟะอั้นร์นุรอหมายถึงเตือนอัลกุรอานนี่มาเตือนนะเตือนให้คนที่ทาผิดอยู่เลิกทาผิดเตือนให้คนที่ก้าวฟือยู่เลิกกฟร แล้วมาศรัทธาต่อ Allah ุ u b าน n a h u Wa Taala เพราะอะไรเพราะอะไรที่ต้องเตือนเอาคุรานเตือนเพราะอะไรท่านนาบีตเตือนอุมม่าของท่านเพราะอะไรเพราะเกลียดหรือถึงเตือนนะเพราะโกรธหรือถึงเตือนเพราะรรอะไรไม่ใช่เพราะรักไม่ใช่เพราะเมตตาหรอกหรือถึงเตือนนะเหมือนเวลาที่เราเตือนลูก เวลาที่เราเห็นลูกเอามีดมาเล่นเฮ้ยอย่าไปเล่นนะเตือนว่าอะไรอย่าไปเข้าใกล้ไฟนะเตือนว่าอะไรครับบางที่ที่เราไม่เข้าใจพอฟังว่าเอาขุนหันเตือนอิสลามเตือนท่านนาบีเตือนมันจะเตือนทําไมนักหนาวะ <c oughs> เรานด้โกรธพอโดนเตือนเราโกรธเขาเตือนเราเพราะอะไรคิดก่อน นะครับน่ที่มาบอกว่ า, าละตะครับุซีเนะละละละที่ละละละทั้งหลายที่มีคำสั่งใน อ, อัลกุรอานเนี่ยอย่าอย่าอย่าอย่าที่เขาบอกว่าอย่าทําอย่าพูดยอย่าเข้าใกล้เนี่ยเขาเตือนเพราะอะไรเขาไม่ได้บอกเหตุผลเลยหรือเวลาที่เราเราเตือนเนี่ยเล า, าไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับเราเลยหรือสุดท้ายแล้วนะถ้าคนคิดอย่างงั้นจะว่าไม่ได้อ่าน อ, อัลกุรอานแล้วก็ไม่รู้เป็นคนจ้าเล่ห ถ้าเขาอ่านเาจะเห็นเลยว่าข huh ้อละเตอนเนี่ยมีเหตุผลที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธเหตุผลของะตอละตครับุสซี่อิดนาห์่นัาหนั้ั้วั้วั้วั้าั้วั้ววั้วั้วั้วั้วั้าั้ว้ นะฟังคําเตือนแล้วไม่ยอมรับคําเตือนจ ح ح อากอัลลอฮ์ซุลมานอัลตะละนี่แหละครับคือนิสัยของเราหนะ้องสุบิน ล, ลายมันได้สาบานครบห้าอย่างแล้วเนี่ยทุกครั้งที่อัลอลอฮ์ตรัาสาบานเราบอกแล้วว่ามันจะต้องมีจาวะบุญกัสัมหรือสิ่งที่จะมาสนองต่อคําสาบานทุกครั้งที่อัลอลอฮ์ตรัสสาบานแสดงว่าพระองค์กําลังจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเลย ต้องเป็นเรื่องายากในสุราห์นี้คืออะไรในต้นสุราห์อัลมุสลัตอัลลอตะลกาจะพูดถึงอะไรทำไมถึงต้องสาบานถึงห้าห้าครั้งคำตอบของมันก็คืออินนามตูอัดูน่น า, นาลวาวะกะนี่คืออายะที่มาสนองคำสาบานทั้งห้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ ที่สาบานมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อบอกว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้ ว, ลวสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาเอาไว้นั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างหนีไม่พ้นอะไรคือสิ่งที่เราถูกสัญญาอะไรที่อาัาลลอฮาสัญญาไว้กับเราวันเกียตรติ์มสวรรค์สำหรับผู้ศรัทธานารก สำหรับคนที่ปฏิเสธต้องเกิดขึ้นจริงไหมครับเกิดขึ้นจริงนะอัลลอฮ์ตาลาต้องสาบานเพื่อที่จะเน้นว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการบอกกับมนุษย์นั้นต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะหนีไปไดน้นี่คือนะครับคำตอบลูกศิษย์หลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาก็บอกปรากฏเการต่าง หรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นก่อนวันแคร์มัสวันแคร์มัสจะเกิดขึ้นยังไงอยกักต่อไปนี้จะบอกเหตุการณ์ให้เรานะครับใ ห, รให้เราได้ทราบว่าจะเกิดอะไรบ้างพอจะเกิดวันแคร์มัสเนี่ยซากิจันุจูมโตมิเซชเมื่อดวงดาวทั้งหมดถูกดับแสงดวงดาวดาวที่มีแสงระยระยที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยพอถึงวันแคร์มัสดับหมด ว่าถ mm ้าสเปรย์ฟรีจัตท้องฟ้าจะอะไรจะเป็นช่องโหว่จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ครับชั้นบรรยากาศจะไม่มีแรงที่จะปกป้องโลกจากสิ่งแปลกปลอมที่จะหล่นลงมาจากอุกกาบาตจากเศษดาวที่กระจัดกระจายที่มาวันนั้นเนี่ยท้องฟ้าจะปกป้องไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันจะมีชั้นที่เ็าเรียกว่าคอยคอยอะไรเขาเรียกคอยทำลายเศษต่างๆที่มาจากอวกาศใช่ไหมครับแต่พอถึงวันแกมักเนี่ยจะไม่มีละชั้นบรรยากาศจะไม่มีนี่คือความหมายของคำว่า a s a าเ u เมอฟูริจลองคิดดูซิว่าสิ่งแปลกปลอมที่มันมีอยู่ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ในอวกาศเนี่ยมันจะรุมมาที่โลกเราเนี่ย ฟนักหน้าไรกันย์วันนั้นเราอุบิลลาอัลลอและเมื่อภูเขาทั้งหลายเนี่ยถูกถูกดึงแล้วก็ถูกทําลายจนกระทั่งไม่เหลือร่องรอยว่าเป็นภูเขานุศิฟ์เหมือนถูกเหมือนเวลาที่เราดึงอะไรดึงตะปูออมาเพราะภูเขาเนี่ยก็คือตะปูของโลก ของแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นนะเมื่อบรรดาภูเขาเนี่ยอะไ ร, รก็ได้แตกกระจุยกลายเป็นฝุ่นนะภูเขาใหญ่โตอย่างเงี้ยกระจุยหมดแตกกระจุยไม่เหลือร่องรอยว่าเคยเป็นภูเขามาก่อนอันนี้คือภาพที่จะเกิดขึ้นในวันอัคราตว่าอิศรุสุลูอุกติตและเมื่อบรรดานบนะับีบรรดานับีนี้มาทําอะไรครับ ถูกกำหนดเวลาให้มารวมตัวกันวันอัคราตเนี่ย阿拉ต阿拉จะเรียกบรรดานาบีทั้งหมดไปรวมตัวกับประชาชาติของเขานาบีนู ก, ก็จะอยู่กับอุมมะของท่านนาบีอิบรออีมก็จะอยู่ทุกคนจะมีผู้ติดตามนาบีบางคนมาตัวคนเดียวเพราะอะไร เพาไม่มีผู้ศ <t> รัทธาบางคนมาสองคนบางคนมาสิบคนผู้ติดตามอุมมะมีสิบคนสุภาพนั่นแหละนบีของเรานี่แหละมีอุหมะที่มากกว่าที่อื่นที่สุดหละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนั้นอัละอฮฺจะจําจะจะอะไรนะจะรวมบรรดารอัลซูลทั้งหมดนะกําหนดเวลาแน่นอนแล้วรวมเพื่ออะไร หรือไอ้เยาหมินอุดรวมกันเพื่ออะไรนี่คำถามคำถามตรงนี้ไม่ใช่ต้องการคำตอบแต่เพื่อที่จะบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากนเป็นวันที่มีอะไรพิเศษมากอไ้ยาินอุไม อ, ล อ, ลอลัลลงหนดเวลานี้มาเพราะอะไรเยามินฟัหนดเวลาไว้สำหรับวันที่อัลอล a ฮฺจะมาพิพากษา อัลฟอซลก็คือการพิพากษาว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนารกย่อมมูลฟอซลวันที่ Allah จะตัดสินคดีที่เราทะเลาะทะเลาะกันในโลกดุนยาเนี่ยบางทีตัดสินกันไม่จบเพราะอะไรเพราะเราไม่มีผู้พิพากษาที่เป็น ผู้พิ พ, พากษาที่แท้จริงบางทีผู้พิพากษาก็ยังรับสวยรับเบี้ยนะไม่บางทีก็ไม่ยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้ที่ร้อยเซต้องรอการพิพากษาจากอัลลอฮฺสุบฮานะอัลตัลลัวันอัครัตละคือวันพิพากษาที่แท้จริงยามุลฟ صل, ัซลวะมาอัดรอคามายามุลฟัซลรู้หรือเปล่าว่าวันพิพากษาคืออะไร ตลาดต้องการให้เราสกิปเตือนเรานะก่อนพี่ภากษานี่มันใหญ่ขนาดไหนมันสําคัญขนาดไหนพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะใช้เป็นบทเรียนนะครับอย่าให้ถึงวันนั้นก่อนทุกวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องนี้กันมากเรื่องความเห็นตา่างเรื่องการไม่ลงรอยกันเนี่ยพวกเราคิดว่า มันสนุกไหมที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนี่แหละที่บอกว่าพยายามเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับแม้กระทั่งแพะแกะความยุติธรรมของล้อกสวรรค์อะไเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับมนุษย์กับแพะกับแกะเนี่ยความยุติธรรมของล้อก็ยังมีวันอัคราลักลณะจะเอาแพะสองตัวที่เคยคุยกันในโลกดุนาีา ให้มันไปอยู่ตอนหน้าสารของพระองค์ในวันอาคารัตเพื่อที่จะมาพิพากษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอตัวนี้ไปขุดอีกตัวหนึ่งจนตายเนี่ยวันอาขรัตเนี่ยอรัตอาไาจะให้ตัวที่ถูกขุดนี่ไปขุดตัวแรกให้มันตายตามเหมือนกับที่มันเคยขุดในโลกตันี้แล้วเราล่ะเราเร า, เราคิดว่าเราจะหนีพ้นจากการตัดสินของอรัลเลยครับที่ชอบทะเลาะ ก, กันอนะที่ชอบฟาดฟันกันอนะใช่ไหม นะที่ชอบจะมาชอบนักเหลือขึ้นโรงขึ้นศาลทุกอย่างนี่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหมดนะตอนนั้นอัลลอฮ์สุบฮานอต่านนะอัลลอฮ์อัลกุบาร์นะแคแค่คิดถึงเรื่องนี้นี่ก็ไม่ไหวละหัวใจของเราฮนะกว่าจะได้เข้าสวรรค์สมมตินะเป็นชาวสวรรค์นี่แหละแต่กว่าจะได้เข้าสวรรคร์นีนนะ่ต้องมานั่งเคลียร์คดีก่อนนะต้องมานั่งเคลียร์ทุกคดีเลยนะทุกหน้าด้วยที่มีคดีต้องเคลียร์ให้หมดก่อนนั่นแหละ ที่นะคนที่มีความพิเศษมากๆที่จะได้เข้าสวรรค์เลยเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีคดีโดยเฉพาะคดีระหว่างเขากับเพื่อนของเขาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพยายามอย่าให้มีเลยคดีระหว่างเรากับเพื่อนของเราไม่องั้นเราจะเหนื่อยในวันอาคีรัตแค่คดีของเรากับอัลลอฮ์นี่มันก็เยอะแล้วนี่เราจะมีคดีกับฮะกับมัคคุรด้วยกันอีก س ب ح ا าอัลลอฮ์ ในอะไรที่มันไม่เห็นตรงกันอะไรเนี่ยขอดูอาตอล l l a h ให้อัลลอฮ์ชี้ทางกับเราว่าอย่าให้เราขัดแย้งกับคนอื่นเลยอันไหนที่มันฉกอันไหนที่เราคิดว่ามันูกเนี่ยเราก็ยึดมั่นกับมันและก็ไปอธิบายกัคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมาทะเลาะกันให้เสียความรู้สึกเห็นต่างกันได้แต่อย่าอย่าอย่าต่างกันกินกระทั่งเสียความเป็นพี่น้องกันอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะทุกอย่างที่เราทําในโลกดุนยานี้ s และแต่เราจะเอาไปคิดหมดในวันอัคคระ มันมีดวงอาบทหนึ่งเป็นดวงอาที่ดีมากมีผมบอกดวงอาทุกทีเลยนะบอกว่าดวงอาดวงอาเนี่ยมันมีดวงอาบทหนึ่งดวงอาสําหรับความรู้สึกแบบนี้เวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราขัดแย้งกับพี่น้องเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าฉันคิดว่าฉันถูกพี่น้องก็คิดว่าเขาถูกแล้วเราก็มาทะเลาะกันออกเป็นเอาตายจนไม่มีที่จุดจบอย่างเงี้ยเราจะอ่านดวงอาอะไรฮะเคลียร์ใจตัวเองก่อน นะก่อนที่เราจะไปทะเลาะกับคนอื่นนี่เราต้องเคลียร์ใจของเราก่อนว่าโอเคเขาไม่เหมือนกับเราก็จริงแต่ฉันเคลียร์กับคุณคุณจะคิดยังไงก็ช่างฉันเคลียร์ฉันไม่โกรธคุณฉันไม่อะไรคุณคุณจะเห็นต่างก็ช่างเนี่ยดูอานี้ช่วยได้ดูอานี้เป็นดูอัอิสติฟตาฮ์เรือดูอัอิสติฟาฮ์บาลละมาอัลลอฮฺอักวาปกติแล้วเราอ่านดูอ่านอะไรน้ำใจากที่เราตะเวยด วัจจห์ตูวัจฮียาลลัลลัฎีฟตาร์อจริงๆแล้วมันมีสัมนวนอีกหลายสันวนในจานวนสัมนวนที่เป็นสัมนวนของอิสติฟตาห์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือสัมนวนที่มีบอกในฮะดิษว่าอัลลอฮ์มัรบบัจิบริลวอมิคาอิลวออิสราฟิลฟตารัสเมาเวตีอัลอะต์อาลิมัลกัยบีวัลชาฮัดะอันต์เตถ้าุม بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك ت ح د ي من تشاء إلى صراط مستقيم فما الله م ر ب ج ب ر ي ل يا الله ผู้เป็นพระเจ้าของมเลกัดเจ بر ิดมเลกัดอิสราฟมเลกัดมิเเคอีมเลกัดอิสราฟผู้สร้างทองฟ้าและก็แผ่นดินอ่า พาติรสสัมาวาทิวอรออาลิมัลไกด้วษะดาผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เร้นลับในสิ่งที่เปิดเผยอันตะตะคูโมใบในเบดิกพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตัดสินชี้ขาดระหว่างเบาวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขานั้นขัดแย้งกันเอ๊ะทีนีขอทรงชี้ขอทรงให้ฮิดายะ ก, กับฉันแต่สมมติว่าเราท่านั้นทะเลาะ ก, กันขีลาบกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยพระองค์ชี้ให้ฉันหน่อยสิ ชี้ให้ฉันเห็นว่าอันไหนที่มันเป็นทางที่ถูกต้องคนอื่นจะไปทางไหนช่างมันแต่ฉันขอทางที่ถูกต้องฉันขอสิร่อมุสลิฏิอิฮดีนีลิมัคตุลฟีฮมินลฮักอกให้ฉันเจอกับความจริงนะอกอินนักดีมันตชาอุอิลารัมุสิพระองค์เป็นผู้ที่ชี้ทางบ่าวของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปถูกไปสู่เส้สนทางที่ เที่ยงตรงสุดห้านั่นและนี่เราเคยขอไหงดูอาแบบนี้เวลาที่เราทะเลาะกับคนอื่นเวลาที่เราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเนี่ยแทนที่เราจะทะเลาะกันออกเป็นอาตาะขอดูอาต่ออัลลอ์หน่อยให้เราเห็นทางที่เราจะเลือกมันมีทัศนะที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าดูอานี้จริงๆแล้วท่านนาบีใช้อ่านอิสติฟตาเวลาที่ท่านลุกขึ้นมากี่าบนใด พีน้องครับถ้าผมจะบอกว่านี่คือหนึ่งในจำนวนวิธีการหรือทางออกสําหรับปัญหาความขัดแย้งของเราตอนนี้มันง่ายมากเลยมันมีซุนนะของท่านนาบีอยู่แล้วเวลาที่เราจะออกจากสภาพของการขัดแย้งกันไปมาอย่างนี้เนี่ยบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยนี่คือทางออกของมันลุกขึ้นมากลางคืนอาบน้าละหมาดให้เสร็จ อ, อ่านงกลางคืนให้เสร็จ ละก็อัลลอฮฺอัลลอฮฺมะจีบริลุมิคาอลวยิสราฟิฟาติรัสสมาวะติวะอัลอาลิมัลกัยวะอัลาฮะละัตตะคุมบันะอิบาริกะฟีมาคานุฟีห์ย่ัทลิฟุมอิฮ์ดิ ني ลิมัฮ์ทลิฟฟีห์มินะลักบีอิสเนกนั้นกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนที่เราจะละหมาดตะฮัดยุตเนี่ยก็คือขอเส้นทางที่เที่ยงตรงก่อนนพวกเราไม่เอาวิธีนี้ในการแก้ปัญหา เราไม่รู้เอาวิธีอะไรมาแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพวกเรารนี่ถ้าเราต่างคนต่างลุกขึ้นมาขอดูอาแบบนี้เนี่ยคงไม่มีภาพที่ว่ามาอะมาแทงกันมายิงกันมาฟาดฟันกันมาโนโกันเองคือไม่ใช่แทงจริงหรอกแทงใน Facebook แทงใน YouTube แทงในะอะไรก็ว่าไปอะและอิละฮะอิลล a ล l a h س ب ح อัลลอฮ์ทไมอะมันหายไปไหนอะสุนนะแบบนี้มันหายไปไหนมันยากไงสุนนะแบบทำเนี่ย สุดหน้าแบบทำมันสุนหน้ามันมีสองแบบสุนหน้าแบบทิ้งกับสุนหน้าแบบทำสุดหน้าที่เราชอบก็คือสุนหน้าแบบแบบทิ้งพอสุนหน้าแบบทำเนี่ยยมันยากอ่ะมันต้องทำอะไรที่เป็นสุนหน้าแบบทิ้งเนี่ยมันไม่ต้องทำมันก็เลยง่ายแต่ต้องต้องมีสุนหน้าแบบทำด้วยไม่ใช่สุนหน้าแบบทิ้งอย่างเดียวบอสอ่าแล้วนะครับนี่เราคุยกันเรื่องอะไรคุยกันถึงเรื่องวันเกียรมา นะครับโซโลห์นี้กําลังพูดถึงวันเกวียนมาซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปอัลลอฮฺสุบไบาะตะละจะรวบรวมรอซูลมาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อย่หนุนฟักลีเรากับบรรดานาับีเนี่ยก็จะได้รับการพิพากษาและเรากับคนที่เรามีคดีก็จะต้องได้รับการพิพากษาจากอัลลอฮฺสุบไบาะตะละอย่าแน่นอนเพราะฉะนั้นรีบจัด ก, การนะก่อนที่เราจะไปเจอกับการพิพากษาของอัลลอฮ์เนี่ย รีบจัด ก, การก่อนที่เราจะเจอให้มันหมดไปให้มันบริสุทธิ์ใจให้มันลบความรู้สึกแบบนั้นออกไปเพราะว่าสำหรับ Allah นะครับเวลาที่พระองค์ทรงลงโทษเวลาที่พระองค์ทรงตัดสินแล้วเนี่ยอินนัลลอฮะละยัซลิมุมิสกาละัรห์พระองค์จะไม่ทรงอธรรมแม้เพียงหนักเท่าเม็ดอตอม ظ อเลคนอื่นเล็กแค่ไหนก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอสุภา ا ل ل ن ا ء الله นะครับรับถ ah, ้าเป่าจมรียนาวลยมาอิซิน للمكذبين ข้อที่๑๙ความหายนะในวันนั้นจะต้องประสบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์นะครับุอัลลอฮฺจ่าอัลลอฮฺราะว์ฺฺฟฺข์ณละราะยีอะทุมณไม่ยูฮิบูอาดัห์ุุซุลละาะว์ณอะบีะะลละะละะละะะละลละลลลละละล law.